อะไรขึ้นมาจะไปตั้งใจคิด็ดแต่ถ้ามันคิ็ดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่กันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้จะติดในสิ่งลเล็กจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการตรวต้องดูอารมณ์ที่เกิดจับจูดจับจสัมผัสจันทร์ละอองซ้อมอยู่ เพีไปเองแต่ที่กำหดนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเต็นหนึ่งต้องเรียกว่าเอกัตาสต่เกีรตจำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่วันไหวก็ใดทานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าประสมมัตทาน เพราะฉะนั้นจุดเร่นท่านสมนถมก็ดีที่ปรินากอดีมันก็อาศัยกำลังองคา น, นั่นแหละเป็นเสื่องหนุนเ๋วเวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปสติมันเช็ขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันจบเชดมันไม่ยอมดุนัน่นเลยมันได้ริบกิบกิบก็คือการเช็ ควาเจ็บอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะเจ็บท่านเดือบ่าเจ็ใต้ที่ตกที่จานเป็นองค์ประกอบของฐานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฐานเห็นไว่ามีฐานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วเจ็บบรรจุทราบในอารมณ์สองฐานนั้นท่านก็เกิดชีวิตตื่นในความเจ็บในคามเป็นหนึ่ง สนกมท่ตวอา่ันนวันเดินไปเดินไปเดินไปเไปเดินไปเดินไปไปสนุกไปเออบางทีเกิดบาตัเนี่ยพอดูไปเดินไปเดินไปมันเกิดวาขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูะกน จิตมันฉายหนังให้ดูกับเ็นเมื่อมันสว่างสวัยแล้วก็แแสมันส่งออกไปข้างนอกบางครีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีโล้ภาพมาได้ต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครจะฝังแน่นด้วยเจันกับถินใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงภาพ เป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหนกับเรานั่งดูโพรทัศน์นั่นะเางคือคนที่มีโทษดูเห็นตัวเล็กไหลนมำไหลไหลไลไออกจากสมาธิเราพินไปซื้อนั่นคือดอกไม้พยามามที่พิจารณาดูให้ดีได้นักปฏิบัติทั้งหลายเมโมาจิตาสาวๆคนหนึ่งมาจากจีนที่ ถ้ม า, มาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่สงสมาธิสงบกลางอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลือหอยไปเลือดสามตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปเที่ยวห อ, โอยโขลกจริงจริงแต่พอเสร็จรแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกสงสัสสยว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้น เอ้ามันก็เป็นอย่า ง, งานั iro, BON 41, waking, ้นผิดกฎหมายไปทำผิดศีคนเตื้อเตื้อไปนี่คนขายคนผิดกฎหมายคนเตื้อก็ผิดกฎหมายในอีตไปขโมยเต้อมันก็เป็นอธินาทานผิดก็อธินาทานมันไม่บริสุทธิ์มันที่ปแล้วมันจะพัฒนาได้อย่างไอจะไปเหตุว่าเปนเยิะเลน้อยนะเหตุนีปฏิบัติวรจะได้พิจารณามันจร มาบาแล้ว่อกไปนียเรามาตั้างใจบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้จิตสงบนี่เป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาโพโตโพโตโพโตโพโตโพโตไว้ในใจสำหรับถุหัตถาวาณาใหม่ค่ะโพโตโพโตโตไกิดในเงโพโตไปเกิดการอื่ ต่อให้จึงมาหาพ่โพแล้วค้องพ่โพ่อพ่อพ่อไปใหม่สำหรับคนที่ภาวนาพ่โ <tune> พ่อมาจนทล้องตัวจนเกิดควาเปลี่ยิานขึ้นมาแล้วลอยให้มันเคลื่อไปแต่สังเกตุถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบาใจเบาใจอารมณ์เป็นที่สบายโปรยให้มันไปแต่ให้คุณปฏิำหนดตามพระวิญูแทบค้องการปฏิบัติปฏิบัติตรงนี้ เีออะไรมันจะเกิดข pues, ึ้นตายเบาสีเบาตายกระบอกเือกระบตัวดันตัวโยกตัวโยกหรือลมหายใจทำพลาจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เคยอยู่กับตัวที่เกิดเทียมอย่างเดียวในวโมนี้ให้ขัดเห็นใจเกิดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่สนใจงนั้นท่านจะดูเจตขอทอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไป เกตใพิจารณาอะไรตรงงแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตรงนาดพอแล้วก็อินทรีย์สองสิเรากำหนดรู้จิตขอเราถ้าเดิมกระวนการรขนาที่เดินตรงๆต่อกำหนดอารมณ์ภาวนาเหมือนกับขนาดที่เรานั่งเ นั่งภาวนาพุท t ธพุทโธเดินตรงตรงพุทโธโธเอวยกัวนอนแล้วแต่ถนัดเวลาเดินตั้งหลับเภาวนาพุโธพุโธพุทโธนอนไปพุทโธพุทโธพุทโธก็จะจะนอนหลับเติมขึ้นมาเมื่อไรแม่พุทโธเอาไว้ทันทีเหตุใปฏิปักษ์ใจไม่มีตลอดไป หากอยู่ในสมาธิสมาสัมรมจิตสัมรมใจแล้วพอเวลาตั้งหลับตาสมาธิโคต t ก็ i ตเ t ราะเอาใจที่ตั้งสมาธิไปแล้วเราไม่เ อ, อาใจใส่ตัวเองตัว ใ, ให้ตัวสติมันจะไม่คมเพราะวาเวลาทำสมาธิของเรามันน้อยเกินไปว่ามันต้องหัดทำใจให้มีสมาธิจ n a ก็นาจิตต้ t งปลดหายไป นอนหลับตองไปแล้วก็ให้มันมีสมาธิเติมมันจะเป็นไปเองเมื่อเราเปิดตัวลมให้คล้องให้สำนึกสำนานแล้วบางทีบางคนภาวนาหนักครับเข้าใจสงบสว่างเวลานอนได้เกิดมันก็สงบสวางบางทีเข้าใจว่าคือเออนอนไม่หลับก็มีแต่แค่เปนเพียเพียงกาเป็นสมาธิ จ็บสมาธิเมื่อถ้าเราเคยก็มันต้องทำใมตำนานแล้วการนอนไม่มีหรอกนอนก็นอนแต่ตายแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนนอนหลับก็หลงไปมันก็สว่า ง, ย อ, งายอยู่ในจิต็บตลอดเลยบางเจิตมันเดินใจสมาธิบางเี็บนับภาวนารู้เท่าไรเห็ น, านการประวัติตัวเองนอนไม่หลับ สงสัยตัวเองอยู่ด้วยแต่ใจสงสัยข้อขอ t h ้อของใจก็ให้ทด่อบพิจารณาดูอนอนลองไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาแล้วมันง่วงไม่มันเตี้ยไม่มันอ่อนไ ม, ไม่ให้กำลัหมายรู้อย่างนี้ถ้าว่ามันไม่ง่วงไม่อ่อนเี้ยตาเตาเเตสงบแล้วมันรูาน้าหน นั่นแสดงว่าจิตภายในสมาธิต า, ายมันได้นอนหลับาจากเต็มที่เราเมื่อจิเป็นสมาธิเราทําให้ตายเบาทําให้จิตเบาทําให้กายสงบทําให้จิตสงบแบบกายกกบนนเา บ, บาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็นที่เปลแต่แต่ทั้งหลายเหล่านี้มันจะบ้างเกิดขึ้น บางทีเานอนลงไปเรานอนจิตจิตก็ไม่สงบบางทีมีคนมาปลุกเรานอนไม่รู้ตัวอานันเราเริตัตือนขึ้ น, น, นมาแล้วเพื่อนาถามว่านอนหลับ ห, หรือเปล่าไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับไมตไม่เตือนแล้วเราก็จะสงสัยตัวเองถ้าเจตไวในสมาธิ การภานาสมาธิเนี่ยใครจะปลดอย่างไรมก็ไม่สเส็เอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้สัตเกิดถ้าคนภาวนาเขาไม่อดิสานผิดสบายว่าถึงเวลานั่นเขาจะออกจากสมาธิในวทัที่ไม่ถึงเวลาที่เขากาหนดไว้เนี่ยใครจะมาทำอะไรมันไม่รู้สึตนยน์เด็อปนงงนอะไละที่ทำแล้วปฏิบัติจะต้อ ง, งสงสั ต่อหนึ่งเมื่อเที่ยงสบไปไปไเท่าทีหลังมาเมื่อสงบคล่องก็ถอยความครดมันจะเพ่งเพ่งเพ่เพ่งเางเราเราจะไปจิตของเรามันตึงตันให้านเจตัวให้ดีเมื่เจ็บด้วยความครดเราสำรวจตังถ้ามนรู้สึกว่าเออความครยดมันยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันจิตไปเลยมีการนึ่งเมื่อทสมาธิเสร็จแล้วมันนอนไหลับ ยังส th n สัยตัวเองเป็นโรคประสาทเล็กๆแต่เดี๋ยววิ่งไปหาหมอหมออาจจะหาว่าเอาเราประสาทจิตใจและับโรคประสาทเข้าไปแตเดี๋ยวมันก็จะเป็นทะเลนทะเลเป็นเดือนเป็นปีแผ่นดินร้องต่อเตยมาแล้วมันจะนั่นเตเทั้งหลายเอาไว้เว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเได้สแล้วั ใต้ทั้งเกตัวให้ดีให้เกิดมันมีความคิดแต่มันทาให้เราสบายสูงไปแล้วมันทาให้เกิดมเตมีตามสูงเมือตามด้วยทำเห็นทำขึ้นมาก็ป่อยให้มันคิดไปให้มันรู้ไปมันเป็นธรรมชาติก็มันอย่างนั้นลักษณะขามันจะเป็นอย่างนี้มาราภาวนาโตโตโตรโตรโตรโตรโต เดอบรู e ้สึว่าบางทีรู้สึก็่าชาตามตัวนิดห่อยแล้วรู้สึกว่ากายเต่าสืบเต่ากายตะกบเต่าสะกบตะโกฟากลไปนิ่งสว่างต้าขึ้นมาดายจะนั้นวันนี้เป็นพาเสดธรรมจักร่อวัดพัะนาุ เรื่องราวในธรรมจักรปปาวัตนาโสตเรารก็จะเจ้าตรงสแสดงธาารรมจัการปาวัฒนาสสตให้พิสู็น์เวาจัวคีฟังีิตายอิสุปัจจานะในสภายววนเสร็นตนด้วยยูการพิสูจนท ต, ตั้งหลายคนสดสองอย่างพวกเธอตั้งหลายเมื่อควรต้องเปิเรจ ส, สดสองอย่างนั่นคืออะไรตามมาสดขันวยการนี้ก็การกาประกอบตนให้พัวันอยู่ในธตา ม, มาสนหมายถึงขัดตนให้สบายจนไป เต่งงานเห็นแต่หลับเห็นแตนอนเห็นแต่กินเห็นแต่ที่เราอะไรพวกโมดึงพวกตามมาสุขันที่ตาสงบทั้งนั้นอาตารจิตะมัทฐานโยคละมานตนห้ได้รับความลำบากในตอนาล่อยเิดให้ตกเกิดนำหน้าสองราคาโทตัมโหหะเกิดตัวใหมความไม่สบายใจในโอวาทำงบาจารย์ังามไม่ได้อะไรกมดง มันเป็นอาตตากิลมัาทานิยโกร์ฉะนั้นอารมณ์ใดที่ทําให้เราทุกข์ใจไม่พอใจนั่นคืออาตากิลมาท า, านิโกร์โมานตกรตนผรมานตนด้วยที่คือการต่างๆสองอย่างนี้แบบไปเก็บไม่ควรทําควรระพฤตปฏิบัติตามทางส า, ายกลางไม่ย่อนนักไม่ตึงนักไม่กอดีกอดี บริโภคอาหารก็ควรจะเดิมัดจันยุตาด้วยจักรบาลในการบริโภคประมาทนักไม่น้อยนัดพาภริยาในโยกแล้วก็ความเพียนอินตีสังกอนสังกรมยินตีแต่มันอยู่ในระดับกลางๆโดยทีรู้สึกว่าเป็นการพ ร, รมานและไม่ควรสบายจนเกินไปใ น, นเรื่องกามัดเยมาปฏิปทาชาติเรเนตและพระเจ้าท่านทรงแสดงภูม ที่เกิดทั้งหลายความเกิดมันเป็นโทษความเกิดเป็นโกษควารตายก็เป็นโทษโสตปริเทวะความโศกเศร้าร่นไรงปิเทวะนาการก็เป็นโทษขวงมรุนแรงนีน่ก็องค์ที่พให้มองถึงแล้วก็โน้มาวพบัวามเกิดขึ้นเกิครามนไม่พอใจต่อที่เพราะว่าัญหาสุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจก็อตามว่าัณหา เมื่อเป็นเนั้นเศมีตามตัาหาพระว่าันหาวิจวราันหามาันมีทั้งตกทั้งตกนั่นแหละเจ้ากันไปตกนึ่ตกอริยศสตร์ตกทั้งอริยาสัรจังางๆตกอริ ย, รรยสตรต่ลที่สนทแต่ว่าทีฟังตกลงตรท่านัานาปทันดาเป็นตาม า, าที่ต้าวงไปนี้พั๊บสว รูรต้ตนระพการแรกหนึ่งรู้อยู่ที่เสรรู้อยู่ที่เร็บการกำหนดรนู้นด่งรู้ที่เจ็เฮยอยู่นั่นเั็นญาเจ็บกำลังมีญาณแต่อย่างรู้แบบเจ็บนิ่งก็ได้สมาธิเพิ่มพลังงานเชิ่มมีกลังแต่พลาดตวัวสั่งตัวโดยความเพลิดเพลนมาเรื่อง่าปัญญา ปัญญาอุป า, าทานปัญญาบันเกิดเป็นแล้วจิตมีสิรุ่งต่จิสิราลักไอ้เมื่อมีพลังแต่ก้าเสร็จสามารถกำหนดปัญญาสุปาทเพื่อสื่อกลดังนั้นไอ้แห่งความรูม้แจ้งเห็จริงวิชาอุป า, าทานวิชาบันเกิดเสร็นแลน้วว่วิชารู้แจ้งเนจริงจิตตัดแตแห่งความรูม้ต่าขก็ไปะสตปมาที่ท่านนั้นเยิดอีก ต้องอาลโตอุตาปิปจิตโลแทสุนติสมาธิแต่ละโดยความสว่างสวัยมันเป็นเป็นอารมโดยอุปาปิแต่ในเกี่ยวกับพวกปฏิบัติแล้วนเมื่อเข้าไปส่สมาธิอันละเอียดถ้ามองเฉยๆใดสิ่หนึ่งเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาได้โดยความรู้ธรรมะขัานละเอียดมันเป็นเป็นอย่านั้น ชาตัญญาชนชาติย <grunting> <erem namon Lake crazy> <usi> e ักษ์ถ้าได้ยินตายยินทำไปถึงใดสิ่งหนึ่งคนเป็นธรรมดาสิ่งนั่นดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราควรจะสอนต่อไปว่าหนกจากทุกไม่มีอะไรโวหนกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเตเต็นทุกเท่านั้นดับไปเพราเป็นสิ่งที่ควรกำหนดตู้ให้มันชัดแจงแต่เมื่อชัดแจ้งแล้วควรจะไปกำหนดทุกเราจะกำหนดตู้แล้ว กำหนดให้สือเหตุให้เกิดโทษแต่ความยินดีแต่ความยินร้ายสรุว่าตามมาตัญหาเพราะว่าตัญหาโทษเพราว่าตัญหาเราบอกำหนดโทแล้วกรกละกำหนดละผะหาตับพระธรรมแต่แท้ที่จริงไม่ได้กำหนดละก็มันตั้งใจละเอาไม่ได้เราไปเกิดโทษโทษการแกมแท้ฆาดแกมแท้มันก็ปาญหาเหตุโทกเลยมันจะมาจากไหนเนอ มันเกิดมาจากความยินดีเกิดมาจากความเย็นได้ความเย็นดีความเย็นได้มันเกิดขึ้นในเจ็บน <TER>: ี้ยท่านก็ตั้งใจเจ็บโลความยินดีตรงความเย็นได้แล้วมาดูไปดูมามันก็เกิดมันญีเมลันแสบตาเกิดมันกรทายเปงนฟันเป็นฟันตัดแสแห่งความยินดีเย็นได้ได้เกิดขึ้นท่านจึงว่าธรามภัยเป็นตึ้งเพ่อส่วนรักในมละได้แล้วเกี่ยวคำทุกขับเราละได้แล้ว ในมาละสมุทัยได้แต่ขาดเเป็นตัวปกติตกติยตุเตินเ บ, บนอร์าามยันดียันได้ตามปัญหาราวาปัญหาเราียกภาวะัญหาดับไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรต่อีกนะต้องต้อนให้อพระตัตัวดับนัดอดอ้นเองอ ทำบ้านนี้เราถ้าจะไปเข้าใจว่าคิต่อรัดอารมณ์ต่อัอะไรอะไรกอดับนับมดไม่มีเหลืองนั้นดมันมีความคิดมีปัญญาความคิดที่พิจารณาอยแต่ความยดียินได้ไม่ลืต่ความยินดียินได้มันดับไปได้คิมันจะมาแต่ไหนแต่มมีแความยินดยนได้ไม่มีศไมมีิมาลบวาจ็างๆเลยเื่อร ท่านกมลองเหนทางที่จะปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกันหรือตู้อะไรตัดไปกัาหรือตูเียงจะ่จักพัลแล้วก็ป่อยวางไปไม่ใช่ตั้งถือมันในสิ่ใดมันต้องเป็นมัตธิมาปฏิปทาเท่านั้นยานันจะพระนนาันตปณ่อเมันะเนรกตัเกะันันันตนตะวตะวันตะวันตะวันตะันตะวนะวันตวัะวันตะันตตะันะวันะนนัั สิ่งที่มันจะดับอุโบสถจิตนั้นเป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่กาหนดรู้เท่านั้นนะอย่าไปพยายามดับมันอย่าไปพยายามละมันกําหนดรู้ธรรมชาติของจิตก็มีสิ่งรู้แต่สิ่งน้สิ่งละเลิกเมื่อสิ่งนี้พลังเส่อเปล่าเส็จมันจะทาหน้าที่ละบางของมันเอง เพราะนั้นใครนเมื่อพลังเกิดเกิดสมาธิปัญญายังไม่สมต้อมเป็นเอาตายนามักจาไปนิละกิเลสเป็นอันขาดหจะเป็นาาบ้าตายเพราะฉะนั้นทางที่ควรจะต้องทำเสรให้บริสุทธิ์ทำเสร็จให้บริสุทธิ์ทำปัญญาเกิดามเห็นให้บริสุทธิ์ทเส็จให้บริสุทธิท์นั้นเจอ่างไรเพื่อม่นั่งสมาธิภาวนาก็ได้เป็นแบบของยอดสันสิน ม่ได้เพิ่มยอดเพิ na, seul, ่เาก็ทํป่าเถืนมุ่งกองต่อพ่จะทำความดีเพื่อจะได้ถลารทำอย่าพวภาวนาแบาเออภาวนามือหนึ่งวันนึ่แผลม่อาประจัญญาจงยอปจับยมบาายนั่นเออกโมลยโตโตโตเรียนเป็นหอหอไม่ใส่่าตอเออจะไป็นอรนนั่นมันเก็บไมบริสุทธ ไปนั so ่งทำงานที่เล่าที่ศาลเอ๊ะนั่ยมมาบัตรมาให้ต้องเงินมาเกิดหรือว่าต่างบัตรมาให้เอาไปจ่ายสื้มาไปเชนให้มาผ่าให้เมื่อเขามาระเชนได้ก็ทะเลาะกันแยกกันให้มาบัตรหนึ่งตัวนี่ใจมันไม่บริสุทธิ์เจ็บมันไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ปฏิบัติุ่งตรงต่อธรรมะคำสอน เป้นมือ ง, งนนอชชต้องต่อความยิยมต้องทาดให้ได้จากประคาบนกป็นเมืองต้องต่อหลักต้อนดึงมันจะบังเกิดสิ่งโ น, โน้นอันนั้นพ้ะพุทเจ้าท่านทิ้งแล้วก็เป ฟ, ฟังเวชมันเลยเอาตังไหว้ทำอย่างไรใจมันจึงสงบทำอย่างไรใจมันจึงสงบสบิเรตทำอย่างไรมันจะวิ่งหนมมีตัวที่เหลือลูกสาวพญามารได้นางตัณหานางราคานางอะไรดีเนี่ย มันกำลังมาหอบร้อนอยู่ทําไงมันจะเกิดหรือ of bueno. ม, มันค้อนเอากันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาเกิดตรางสนทานเอาไว้เพียรนิดขาเสนีนิตังเิดตั้งเกิดตั้งไม่เพียรหน้ามันก็มีตะกอถ้าเราไปสั้งใจเอาไว้ปราณนาสิ่งที่เป็นอาเมตไส่เป็นคนน่าทำ แต่มาเป็นแบบนั้นเจ็บมันไปเจ็นเจ็ที่อานมสอานิสเนี่ยมันแย่งกันได้เป็นการทาไม่มีใครแย่งได้เพราะฉะนั้นผมปฏิบัติเองเองต้หน้าต้นตาประพฤติปฏิบัติของใครของเราไปใครจะเป็นไงทางใครใครจะลงนรกใครจะเป็นสวนั้นท้งใครเรามาตัวแต่เราจะลงนรกตายเียวเานั้นตั้ง Track, าาใจปฏิบัติที่ปฏิบัติต่อสเท่านั้นเออมันโูนตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นอยจะไปกลัอเลย ใครจะลงนรกจ่ยังไงก็ช่านไครสิถับคนต้องโลกก็ลงนรกหมดเราไปนัง่งในบนสวรรค์อ่าตามเด็กตัวคนเดียว น, นางเวดามาหอบ้อมก็ไม่ไมีเพพบุตรเยงคนใดอย่มาแย่งเด้มันก็ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าปตัวคนเอ๋นเพราะจะลงนรกตัวเราที่จะลงนรก บางทีเราไปตัวคนอื่นวเอจะลงนะเไปตองสอนเขาในเรื่องเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็น้อยอกน้อยใจบางทีเถอะไปด่าก็ต้องใช้การประบันในตัวนะลูกใจด้เน่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อเรื่องต่อเราให้ตัวเองต้อเดือดรอนละวันนี้การอบลมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ปรัชนาสุลว่าสมโเสตาระเทาวันต่อต่อไปก็ต้องจำต้องปฏิบัติ ไป็นหลกกันไปแล้วไมว่าหน้าเต็นนั้นนั่นะอยากจะเอาตะโพยการถ้าแหลมวัดเราเนี่ยเสียงก็นี่นีการนัาจะดีไม่มีพอยกประกาศว่าจะพุชมอยโลกมหาวิปัสสนาทางวัดเฉลิมศรีบอกถึงแต่พอมีเนี่ยวัดเฉลิมาวพ่หันที่เอาเสียงสองร้อยที่จะถึงศีสุ ให้เงินสินหาสินแต่สินเสร็จไม่ต้องให้มันได้เนี่ยหนุมเอ้ยเรื่องมัดตัวมวยตัรหมอลำขาดต้องมันไม่ใช่หรอกมันมันเป็นตรูต่อสมมกันกะนัดใจดตัวมัดีตัววัดดตัวก็ัาเวร่มันนี่ตัอไปจะต้เทียการดกาตนต้องะมโดนหรือการเล่นอันเป็นป้าแกัน